ขอนบุตนาสาธุการในท่านสานชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องประโตทูทศสูตรที่ว่าด้วยคนอาชาในและสัตว์อาชาในข้วหนึ่งพระผูมมีพระเจ้าได้